พระอนุบัญญัติ566อนหนึ่งภิกษุใดไม่ได้รับนิมนต์ไว้ก่อนไม่เป็นไข่รับของเคี้ยวหรือของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะเช่นนั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้วหรือฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านตั้งหลายกระผมต้องทําคือปาติเทศนิยะเป็นธรรมที่น่าตาําหนิไม่เป็นสัพพายะกระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นเรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบ